ดิฉันได้นั่งรถส่วนตัวเที่ยวดูสำนักแม่ชีมาหลายวัดโดยคิดจะบวชบ้างแต่ก็ยังไม่เหมาะใจทั้งนั้นจึงมาแวะนครปฐมอีกตอนเย็นถ้าที่ใดเหมาะใจดิฉันก็จะสละเพศโกลหัวเข้าวัดแก้ลำความด้อยในการผิดพลาดของตัวในเรื่องความรักผิดพลาดมาแล้วบวชจะให้สาแก่ใจครั้นไปมองดูสำนักแม่ชีที่ค่างข้างองเจดีแล้วดูก็น่าร่มเย็นพอใช้ได้แต่ว่าใจก็ยังไม่เหมาะ จึงชวนสาวใช้แล้วก็คนใช้ชายขึ้นไปบนลานรอบๆ อ, องค์พระปล่อยคนรถเฝ้ารถอยู่คนเดียวถ้าไม่มีคนตามขึ้นไปด้วยในเวลาเย็นย่ำอย่างนั้นเกรงจะไม่ปลอดภัคยค่อยๆเดินผ่อนอารมณ์ที่ขุนมัวไปแบบเงียบๆตามลานรอบองค์เจดีย์ที่อยู่รายเรียงด้วยกระเบื้องปูนแผ่นโตแล้วก็ร่มเย็นด้วยใบไม้ใหญ่คนใช้สองคนเดินตามแมวห่างๆคุยกันหนุงหนิงประสาหนุ่มสาว ส่วนตัวดิฉันวางท่าจะเป็นผู้สละเพศคารวาสเป็นผู้จำศีลเดินไปได้เซี่ยวหนึ่งขององค์พระก็เห็นแม่ชีผู้เฒ่าคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มไม้อย่างสงบความจริงในใจคิดว่าควรจะกลับบ้านสถทีเพราะว่าเย็นเกินไปแล้วครั้นพบกับแม่ชีเข้าก็เลยแวะไปทําความเคารพพร้อมกับถามทุกสุขดิบความเป็นอยู่ของท่านผู้ทรงศีลฉันบวชมานานแล้วหระคุณหนูแม่ชีเฒ่าบอก นี่เห็นจะมาเที่ยวเล่นกันกระมังเจ้าค่ะดิฉันเที่ยวดูตามสำนักแม่ชีมาหลายแห่งแล้วดิฉันบอกกับท่านอ๋อเห็นว่าจะชอบชีวิตแม่ชีสินะแม่ชีผู้อย่างอารมณ์ดีและก็หัวเราะเบาๆชีวิตของชีเกาะคล้ายๆพระนั่นแหละต่างกันก็ทีมีศีลต่ำกว่าพระท่านมากแต่อื่นๆก็พยายามทําให้คล้ายพระท่านเข้าไปเพื่อให้ได้ผลสมกับที่บวช ดิฉันก็อยากจะมีชีวิตอย่างแม่ชีทั้งหลายบ้างเจ้าคะ่ะดิฉันพูดออกไปตามที่คิดจะบวชอ๋อแม่ชีเท่าร้องแต่ท่านมิได้มองดูดิฉันท่านกลับเงยหน้าขึ้นดูองค์เจดีโดยปากท่านก็พูดหูท่านก็ฟังที่ดิฉันพูดอยากจะบวชด้วยเลื่อมใสในพระธรรมหรือท่านถามคํานี้เล่นเอาดิฉันอ้่มอึง้งตอบท่านทันทีไม่ได้เพราะว่าความจริงใจแล้วเปล่าเลย ดิฉันไม่ได้ตั้งใจบวชเกี่ยวกับความศรัท ธ, ธาทางศาสนาหากจะบวชแก้ลำํำเรื่องรักที่ผิดพลาดการบวชนะคุณหนูต้องตั้งใจศรัท ธ, ธาจึงจะได้ผลชีผู้เท่าพูดอย่างตรงตรงและก็คงแงนหน้าสู่องค์เจดีที่สูงตรงา n ง g a อยู่ดังแต่แรกเรื่องนี้นะถ้าคุณหนูจะฟังฉันเล่าอะไรๆเกี่ยวกับชีชสักหน่อยบางทีอาจจะเข้าใจ ในการสละตัวเองบวชได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณหนูไม่มีเวลาพอจะฟังก็สุดแต่เธอดดิฉันอ้ำอึง้งชีพดเท่าท่านพูดอะไรราวกับรู้ใจดิฉันว่าการจะบวชคราวนี้ไม่ใช่บวชโดยเลื่อมใสเมื่อท่านมาพูดแทงใจดากรณีจึงเกิดสนใจอยากจะฟังอะไรๆที่ท่านจะว่าจะเล่าให้ฟังดิฉันกราบขอความเมตตาจากท่านเจ้าค่ะดิฉันอยากฟัง ทุกๆคำที่ท่านจะเมตตาเล่าให้ฟังดิฉันกล่าวอย่างนอบน้อมเออขอบใจมากนะที่ยินดีจะฟังตัวฉันเองก็เคยผิดฉันเนี่ยบวชโดยเอาเรื่องของคาราวาสเข้าไปคลุกกับศาสนาทำให้ศาสนาหนีมัวมองไปอย่างไม่เข้าท่าเลยชีวิตเราก็ควรเป็นชีวิตเราจะผิดพลาดอะไรก็แก้ไขกันไปในทางของเรา ขออย่างเดียวอย่าเอาชีวิตของผู้ทรงศีลไปเกี่ยวด้วยความผิดของฉันเนี่ยมันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เด็กๆฉันกำพร้าพ่อกำพร้าแม่มาตั้งแต่เล็กและมีสามีก็เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กๆฉันพูดอย่างนี้คุณหนูคงแปลกใจแล้วก็ขบขันใช่ไหมแม่ชีพูดถึงตอนนี้ฉันก็รู้สึกแปลกใจจริงๆอะไรกันสามีเลี้ยงภรรยามาตั้งแต่ยังเล็กๆตั้งแต่ยังเด็กๆ ฉันเรียกสามีของฉันว่าคุณลุงแม่ชีพูดต่อและเรียกภรรยาเขาว่าป้าจริงๆนะคุณหนูฉันเมื่อตอนเด็กเนี่ยริดเยอะจะเอาอะไรเอาตามใจตัวร้องไห้เก่งคุณป้าก็ตีฉันบ่อยๆแต่คุณลุงขอร้องว่าสงสารเถิดเด็กกำพร้ามีแต่เราเถ่านั้นที่จะให้เมตตากับมันคุณลุงเป็นคนใจดีมีเมตตาจิตที่แรงกล้า บ้านที่เราอยู่นั้นเป็นบ้านใหญ่หลังบ้านมีน้ำสายมีบัวฝรั่งขึ้นเต็มไปหมดฉันก็มักจะแอ บ, บไปเล่นข้างบึงป้าก็ห้ามอยู่บ่อยๆแต่ฉันก็แอ บ, บไปบ่อยๆเหมือนกันป้ากลัวฉันตกน้ำก็ตีเอาบ่อยๆตามฤตของฉันวันหนึ่งฉันก็ทำฤตอีกคุณป้ากำลังใจคอไม่ดีก็ตีฉันเป็นการใหญ่คุณลุงก็เข้าขอร้องตามเคยเลยทะเลาะกันเพราะเรื่องของฉัน คุณป้าบอกว่าถ้าคุณลุงไม่มีทางจะทำให้ฉันหยุดทำริดได้จะจับฉันโยนลงไปในบึงให้สำลักน้ำแทบตายเลยฉันได้ยินแบบนั้นก็เลยร้องไห้ใหญ่กลัวว่าแกจะโยนลงไปจริงๆนะสิคุณป้าแคโกรธจัดก็จับตัวฉันคุณลุงก็กลัวว่าจะทำแบบนั้นก็แย่งเอาตัวฉันออกมาแล้วก็ปลอบให้ฉันนิ่งแต่ริดฉันเนี่ยมันเยอะก็ร้องต่อไป ตอนนี้ก็ดูดูว่าคุณลุงจะกโกรธฉันเหมือนกันก็เลยจับฉันหย่อนลงน้ําที่สะพานขู่ฉันว่าจะปล่อยมือให้ตกลงไปที่ก้นบึงฉันก็ยิ่งร้องลุงก็เลยปล่อยมือข้างหนึ่งคงจับไว้หนึ่งมือสีหน้าคุณลุงเวลานั้นกโกรธจริงๆด้วยฉันก็เกิดนึกถึงงูในน้ําได้เพราะว่าเคยเห็นมันว่ายอยู่ในน้ําฉันก็เกิดกลัวต้องรีบหยุดร้องหน้าตาของฉันเวลานั้นน่ะเร้อ โอ้แสดงความกลัวจริงๆฉันหยุดร้องไห้แล้วก็พูดเบาๆว่าฉันกลัวฉันกลัวคุณลุงรู้สึกว่าฉันกลัวมากจึงรีบเอาขึ้นจากน้ํารีบเช็ดตัวให้แล้วก็กอดฉันด้วยความเสียใจที่แสดงท่ารุนแรงเกินไปปากพูดว่าลุงไม่ทําลุงไม่ทําฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมดรีดไปได้ยังไงถูกจุดดีเข้าต่อ น, นั้นมาฉันก็เลยกลายเป็นคนกลัวคุณลุง จะทำริดอย่างไรถ้าคุณลุงมองดูฉันกับหมดริดแทนที่จะกลัวคุณป้าเคียนตีเอาเจ็บๆลายไปทั้งตัวคุณลุงนั้นใจดีมากจะดุก่อเล็กๆน้อยๆปลาณีเป็นส่วนมากเราอยู่เดียกันมาจนเป็นสาวขึ้นคุณลุงก็แก่ลงคุณป้าก็แก่ลงเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอแต่ว่าคุณลุงนั้นแม้จะมีอายุเยอะแต่ยังมีท่าทางสง่าผ่าเผยน่านับถือและน่ารัก เพราะว่าแกเป็นคนใจดีมีเมตตาลงท้ายฉันก็ผิดอย่างใหญ่ลวงในชีวิตคือฉันเกิดรักคุณลุงฉันและคุณลุงก็รักฉันที่ฉันพูดเนี่ยนะไม่ใช่รักกันอย่างธรรมดาลุงกับหลานเรารักกันอย่างผัวเมียแล้วก็แอบได้เสียกันพอคุณป้ารู้เข้าบ้านเหลืองเมืองแตกทะเลาะกันกับคุณลุงนับครั้งไม่ถ้วนแต่คุณลุงก็ยอมแพ้ทุกคราวขอโทษขอโพยทุกคราว พอคุณลุงไปทํางานคุณป้าก็เล่นฉันย่ำแย่ดาทอเอาเจ็บแสบถึงกระดูกดำคุณลุงเคยพูดว่าอย่ารุนแรงกันเลยเขาก็เด็กกําพราที่เราเมตตาเลี้ยงมาถ้ารุนแรงไปเขาจะไปพึ่งใครล่ะคุณป้าก็ว่าอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันแย่งผัวฉันเล่นหรือไงฉันไม่ยอมเด็ดขาดเป็นตายขอผจนกับมันนี่แหละคุณหนูฉันทนไม่ไหวก็ใช้ความโกรธชนิดไม่ยับยัง้งไม่คิดหน้าคิดหลัง ฉันมีเพื่อนช่วยเหลือให้ฉันหนีไปบวชชีนี่คือผิดที่ไม่ได้บวชโดยศรัทธาการบวชก็ผิดวินัยทุกอย่างถ้าทางพระละก็ไม่ได้เลยมีเมียแล้วจะหนีไปบวชโดยเมียไม่ยินยอมนั่นก็ไม่ได้ฉันไปบวชชีสามีก็ไม่ได้อนุญาตมันผิดไปหมดทุกอย่างฉันก็ลืมคิดไปว่าเมื่อทำไปแล้วใครจะเป็นผู้ได้รับผลจากการกระทาของฉันคุณป้าหรือเปล่า คุณป้าก็ดีใจว่าฉันหนีหายไปส่วนทุกอันใหญ่นั้นก็ตกอยู่กับคุณลุงไม่เป็นอันกินอันนอนเที่ยวค้นหาฉันแทบพลิกแผ่นดินไม่รู้ว่าฉันไปไหนเด็กนี่เลี้ยงมาโดยกาพร้าแล้วก็หนีหายไปจะดีจะร้ายประการใดก็ไม่รู้ส่วนคุณป้าก็ล้มเจ็บหนักลงเพราะโรคประสาทเป็นของเดิมแต่พ้นที่ได้จะพบกันนานสักสามสีป่ปีฉันออกจากวัดไปทุระ เย็นแล้วจะกลับวัดเดินสวนทางกันกับคุณลุงที่หอบอะไรต่อมีอะไรพรุงพรังคุณลุงตกใจเมื่อพบฉันและก็เป็นแม่ชีคุณลุงบอกว่าคุณป้าตายแล้วเมื่อปีก่อนแต่ตามวินัยแม่ชีจะคุยกับผู้ชายนั้นไม่ได้คุณลุงรู้ดีจึงขอร้องให้เลยไปบ้านก่อนเมื่อถึงบ้านแล้วลุงก็ร้องไห้เหล่าถึงความลังเก่าๆที่ทุกทรมานใจเมื่อฉันหาให้ไปเฉย และเมื่อป่าตายไปอีกคนก็ว้าเวที่สุดคุณลุงเห็นสมควรก็ให้ฉันกลับวัดโดยจัดรถแท็กซี่แล้วก็ถวายเงินให้ฉันมีใช้จ่ายและต่อมาคุณลุงก็ไปที่วัดส่งเงินและข้าวของถวายเสมอครั้งหนึ่งคุณลุงก็กลับไปแล้วไอเด็กในวัดเนี่ยมันแอบบอกกับฉันว่าคนแก่ที่มาหานั้นเวลากลับไปแกเดินร้องไห้ไปทุกคราวฉันก็เกิดสะท้อนใจสงสารใจแกจริงๆ แกเป็นสามีที่ดีเกินไปดีกว่าคนทั้งหลายที่เคยเห็นมาฉันตอบแทนบุญคุณแกด้วยการทรมานใจแกครั้นนานเข่าฉันก็สงสารทนไม่ไหวก็เลยศึกจากชีกลับบ้านรณิบัตรคุณลุงสามีต่อไปแล้วเราก็กลับเข้ารูปเดิมเป็นภรรยาสามีกันยิ่งนานเข่าฉันก็พบว่าสามีฉันช่างดีเป็นยอดชายการที่มันเป็นอย่างนั้นไปแล้วจะมาเรียกว่าคุณลุง เป็นเจ้าชู้นั้นไม่ใช่เจ้าชู้กับความรักน่ะมันคนละอย่างความเจ้าชู้นั้นมันก็เป็นสันดานแก้ไม่หายแต่ความรักนั้นเนี่ยมันเป็นอีกคนละแนวแต่ลงท้ายความชร า, าของคนเราก็เป็นไปตามทางของมันลุงผู้สามีก็ตายจากไปฉันรู้สึกว่าเหมือนหัวใจจะขาดลอยไปด้วยจริงอยู่ฉันยังสาวและก็ฐานะก็ดีจะมีสามีใหม่อีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณหนู ฉันจะอยู่โดยขาดผู้ปกครองที่เมตตาปรานีได้อย่างไรอยู่ไปอยู่ไปก็เกรงจะมีสามีอีกฉันรู้สึกว่าฉันรักใครเท่าเขาอีกไม่ได้แล้วในชีวิตนี้คราวนี้ฉันก็เลยตัดสินใจทิ้งทางโลกเข้ามาหาทางรรมโดยแท้ลูกเต้าก็ไม่มีหมดห่วงจริงๆบ้านช่องที่มีก็ให้กับหลานๆของคุณลุงคุณป้าไปแล้วฉันก็กลับเข้าบวชชีจนแกนี่แหละ ไม่ฉี่เท่าเล่าจบลงแล้วก็บอกกับดิฉันว่าควรจะกลับซะเถอะจะอยู่บรลานองค์พระในเวลาอย่างนี้เกรงจะไม่เหมาะภัยมันร้อยแดดิฉันกระาบลาท่านด้วยความคารพบแบบจริงใจก้มลงกระาบกับพื้นปูนสามครั้งพอจบแล้วเงยหน้าขึ้นท่านไปไหนซะแล้วเหลียวซ้ายเหลียวขวาก็ไม่พบทั้งใกล้และไกลทั้งด้านริมองพระแถวนั้นก็ไม่มีทางที่จะลงเลย ดิฉันมองไปทางคนใช้สองคนตะกนเรียกและกวักมือให้รีบมาดิฉันจะก้าวขาไม่ไหวแล้วเมื่อแม่ชีหายไปเช่นนั้นดิฉันบอกกับคนใช้สองคนนั้นบอกว่าดิฉันจะเป็นลมช่วยประคองด้วยความจริงเปล่าเลยดิฉันกลัวจนก้าวขาไม่ออกแม่ชีนั่นไม่ใช่คนซะแล้วดิฉันหลงอยู่กับแกมานานมากแกหายไปอย่างกับเป็นลมเป็นแง้ง อากาศมืดโคล้เพล้ลงใจคอสั่นสะท้านหนาวไปหมดพอเดินลงมาถึงบันไดด้านหน้าองค์พระมีคนมากมายเลยให้คนใช้ปล่อยบอกว่าแข็งแรงแล้วพอเดินได้เองนั่งรถเข้ากรุงใช้สมองไปต่างๆหวาดกลัวบ้างสงสารเรื่องของแม่ชีเท่าตามที่แกเล่าให้ฟังบ้างใจยังคงเต้นไม่หายดิฉันเพิ่งเคยถูกผีหลอกเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่บังเอิญเป็นผีดีให้คติดีๆ ทำเตือนนั้นน่าฟังมากเดีย๋ยวว่าเอาศาสนามากลั้วกับเรื่องส่วนตัวเมื่อจะบวชก็ให้บวชโดยตั้งใจทางธรรมะจริงๆไม่ใช่บวชเล่นกับเรื่องความรักหรือเรื่องอกหักหรือบวชหนีหนี้สินความจริงที่ดิฉันจะบวชนี่ก็เป็นการบวชเล่นแง่จริงๆแต่เมื่อแม่ชีเท่ามาพูดแบบนี้การเล่นแง่ของเราใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระเทือนใจที่สุดคนนั้นก็คือสามีนั่นเอง ดิฉันเล่นแง่ครั้งนี้เพื่อให้สามีดิฉันเลิกร้างกับภรรยาเก่าขอให้ยึดดิฉันคนเดียวเป็นภรรยาแต่คิดแล้วถ้าสามีดิฉันยังทําอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเสียลูกผู้ชายได้ใหม่ทิ้งเก่าอย่างชายทั่วๆไปทํากันทั้งหมดมันก็เกิดจากอารมณ์ฉันเท่านั้นที่จะเอาเพียงเรื่องชนะไม่ได้คิดอะไรกว้างออกไปอีกเลยคิดแล้วก็หมั่นไส้ตัวเองที่เที่ยวหาวัดจะบวชแล้วก็ไม่เหมาะใจสักวัดจะเหมาะได้อย่างไร ก็เพราะไม่ได้ตั้งใจจะบวชจริงจังอะไร